น้ำตาของสัตว์น้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตะสงสารมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาของสัตว์ดีใจก็น้ำตาเสียใจก็น้ำตาทุกข์ใจก็น้ำตาน้ำตาของสัตว์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 เป็นตัวเสวยพบเสวยชาติดีใจก็ น, น้ำตาทุกข์ใจก็ น, น้ำตาเสี ย, ยใจก็น้ำตาวิโยคพระดพราดก็น้ำต า, า, า, นนำตาเป็นสั ญ, ญลักษณ์เครื่องแสดงออกนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของความทุกข์ของกองทุกข์สัมเนธติสะเป็นลูก อุปถาของระษารีบุตรอุปถาของภาษารีบุตรมีลกูกอายุเจ็ดขวบชื่อติสสะให้ไปบวชอายุเจ็ดปีไปบวชแล้วแม่ต้องอยู่ด้วยเจ็ดวันเพราะลกูกเล็กเกินไปแม่ต้องไปอยู่ด้วยเจ็ดวันสามเณรจิตสะนี่แหละ เป็นลูกอุปถากของภาษาฤาบุตรเป็นคนดูแลภาษาฤาบุตรพ่อแม่ของของเนนเนี่ยหลังจากบวชเป็นสามเณรแล้วเนี่ยโดยจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ภาษาฤาบุตรอไปบวชภาษาราบุตรบวชเป็นสามเณรให้ติดส้อยห้อยตามบวชเป็นสามเณรแล้วแม่ต้องอยู่ด้วยเจ็ดวัน พอวันที่แปดแม่กลับแม่กลับบ้านภาษารีบุรไปบินทบาทเนนติสะไปบินทบาทด้วยในระหว่างที่เดินทางไป เ, เห็ น, เ ห, น, น, นเห็นช่างสอนดัดสอนเห็นช่างไม้ถากไม้เห็นชาวนาไขาน้ำเข้านาถามอาจารย์ว่า ลูกศรมีชีวิตไหมอาจารย์ก็ตอบว่าไม่มีชีวิตแต่เขาสามารถดัดให้ตรงได้น้ํามีชีวิตไหมอาจารย์ก็ตอบว่าน้าไม่มีชีวิตแต่เขาสามารถไขให้เข้านาได้ไม้มีชีวิตไหมไม้ไม่มีชีวิ ต, วตแต่ช่างไม้สามารถถาก ดัดให้ตรงได้เอ๊ะแล้วเราหัวใจมีชีวิตแท้ทําไมเราจะดัดให้ตรงดัดให้ดีไม่ได้เดินเดินไปบิณทบาทยังไม่ถึงที่บินทบาตถามอาจารย์ไปอาจารย์ก็ตอบไปก็เท่ากับเดินตามเด็กน้อยนั่นแหละอายุเจ็ดขวบพาไปบิณทบาทพอไปไปไปไปเลยอยากดัดตัวเองอยากดัดตัวเอง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 มอกุญแจให้เนนจิสักก็กลับมาภาวนาเปิดคุติไปก็ไปนั่งภาวนานั่งภาวนาแป๊บเดียวไม่นานาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง อ, อาจารย์ยังไม่กลับจากบิณฑบาตได้บรรลุธรรมสามพระโสดาพระสติทาคาพระอนาคาคในระหว่างที่สมณติสะบำเพ็ญอยู่นั้นช่วระยะเวลาไม่นานนั่น อยู่ในสายหูสายตาในพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าทีนี้พระองค์ก็เพราะรในใจว่าเอา้าสำเร็ทติดสัยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งพระสารีบุตรกลับมากาา็จะเป็นการไปขัดขวางจะเป็นการไปขัดขวางไปขัดขวางพระสมณเณรที่กําลังบาเพ็ญอยู่นั่นแหะ พระองค์ก็เลยไปยืนก็เลยเลยไปยืนขวางเออก่อนที่จะให้พระสาริบุตรไปบินธบาตบอกพระสาริบุตรด้วยว่าไปบินธบัตปลาตาเพียนมาแจกผมฉันด้วยอย่งนั้นคือเบื้องอุปกรรมเบื้องเบื้องหลังมันมีไปบินบัตปราตะเพียนมาแจกผมฉันด้วยโอ้จะได้ปราตะเพียนจากไหนเน้นอเอาเอถอะทาไมได้ด้วยบุญด้วยบุญบา ร, รมีของผม ท้าไม่ได้บุญด้วยบุญบา ร, รมีของผมก็ได้บุญด้วยบุญบา ร, รมีของอาจารย์ทําไม่ได้ด้วยบุญบา ร, รมีของอาจารย์ก็ได้ด้วยบุญบา ร, รมีของผมพระสารีบุตรวันนั้นไปบิณฑบาตกับอุปทาเขาก็ต้มปลาตะเพียนต้มปลาตะเพียนมาแล้วก็เลี้ยงถวายอังคาดพระสารีบุตรสมัยแต่ก่อนนฉันเสร็จแล้วก็กลับนะไปบิณฑบาตแล้วก็ชันเสร็จแล้วก็กลับ เขาถวายอังคารอาหารโดยมีมีปลาตะเพียนด้วยเป็นอาหารและก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ฝากไปถวายสัมาเนตรติสสะด้วยก็ฝากปลาตะเพียนไปถวายสัมมาเนตรติสสะเนคนที่เขามีบุญบารมีสัมมาเนตรติสสะเมื่อก่อนก็เป็นทุกขตะเข็นใจนี่แหละมีชาติหนึ่งเป็นทุกขตะเข็นใจชาติใกล้ๆมาเนี่แหละเป็นทุกขตะเข็นใจ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 หลังยาคุติเจ้ารับนิมนต์แล้วทายกคนนั้นเขาก็ไปเดินแจกไปเดินถามชาวบ้านอา้าวเรานิมนต์พระสงฆ์เลี้ยงจังหันห้าร้องค์ใครจะรับได้สักกี่องค์แค่ว่าไปเดินแจกะคนนั้นรับได้สององคนนั้นรับได้ห้าองค์คนนั้นรับได้สิบ 5, องคนนรอง์รับรับเลี้ยงพระทหารนั่นแหละพอดีเขาก็ไปเห็นไปเห็นทุ ก, กตะทุ ก, กตะนี่กาลังไปหาเก็บผักตามรั้ว ไปหารับจ้างเขาน่แหละเอาทุกตะเธอจะไม่ร่วมทำบุญกับเขาบ้างเลยหรอโอ้ยเราจะมีอะไรทาบุญแค่เราจะเอาใส่ปากใส่ท้องแต่วันๆันี่ก็แทบจะไม่มีอะไรจะใส่แล้วแทบไม่มีอะไรจะใส่แล้วนก็นั่นแหละก็เพราะเธอไม่ไม่ไม่ทบุญนั่นแหละเธอถึงหาหาอะไรจะใส่ปากใส่ท้องก็แทบจะไม่มีเพราะอันนี้สองการทําบุญมันไม่มี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 ไม่มีพระเหลืออยู่ให้ทุกตะอทุกตะหลังจากไปรับพระหนึ่งอกแล้วเอ๊ะรู้สึกมันสบายใจมันดีใจยังไงชอบคนะวันนั้นทั้งวันเนี่ยไปรับจ้างสองคนผัวเมียเนะี่ยทั้งทั้งทั้งพาฟืนไปเมียก็ไปหาตําตําข้าวให้เขาทั้งพาพาฟืนรับจ้างเขาตําข้าวรับจ้างเขา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 ก็เลยได้ส่วนนั้ น, นมาหุงมาต้มมาอะไรกันเลี้ยงพระทนี้ก็ไปหาปลาไปหาปลาไปหาปลาก็ปลาตะเพียนนี่แหละไปหาปลาไปหาปลาพอดีเขาก็โยนๆ ย, ย, ยนปลาตะเพียนกองๆไว้กองหนึ่งสลับจะเอาไปไปทำกินเขาเองแหละพระรู้วัตถุกัตะเข็นใจเนี่ยจะมาหาอาหารไปทำอาหารถวายพระพุทธเจ้า เขาก็เลยถวายเขาก็เลยให้เขาก็เลยร่วมทาบุญด้วยทุกาตะกรดีอกดีใจได้ปราตะเพียนนี่แหละมาต้มไปไปถวายพระไปเลี้ยงพระพอรุ่งช้ามาไปถามไปถามคนที่เจกพระโอ๊ยเราลืมทุกตะเราลืมเราเจ็พระไปหมดแล้วไม่มีพระจะจะให้เธอเลยเออท่านนี่ทำให้ผมชิบหายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ต่อว่าเขาตั้งใจดิบดีสุข สบายใจตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้แล้วพอถึงที่แล้วจะจะไม่ได้ทําบุญีแล้วแจกพระไปหมดจะไม่มีพระได้ทําบุญแล้วเออยังมีอยู่ยังมียังมีองค์หนึ่งอยู่อ่ายังมีองค์หนึ่งอยู่ยังไม่มีใครรับเลยอะคิดว่าคิดว่าท่านต้องเมตตาทุกขตาแหละให้ทุกขตาไปไปกราบนิมนต์ท่านเนอคือพระพุทธเจ้านะคือพุทธเจ้าเอ๊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 พอเขาเห็นธุกตาไปเขาก็าเข า, เขาไล่ธุกตาเพื่นมาทําไมท่านมาทําไมเวลานี้มันไม่ใช่เวลามีเศษมีเดนอาหารเหลือ <c oughs> เขาเคยเห็นแต่ไปเอาเศษเอาเดือนอาหารจากพระแล้วยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราไม่เราไม่ต้องการเศษเดนอาหารเราต้องการนิมนต์พระศาสดาไปฉันที่บ้านโอ้ที่บ้านของเธอนี่คงใจฉันอิ่มน้ำซัมปลานอาหารคงจะดิบดีอย่างนั้นเขาพูดไปชดก็พูดเยาะเย้ยพวกเสนา ม, มาด ในทีสุดทุกตะก็เลยฟังไอ้คำที่คนเขาเขาบอกนะ่ยคนที่เขานี่หัวหน้า ท, ที่นีมวลพระไปเขาบอกก็เลยไปกราบนิมวลพระพุทธเจา้าพุทธเจ้าก็เลยเมตตาส่งบาสมาให้ทุกตะได้บาสมาแ ล, แล้วก็อุ้มอยู่พวกเสนาบดีราประรายชาก็หาบดีทั้งหลายเสทุกตะให้เราทุกตะให้เราเราจะให้เท่านั้นโกรธเราจะให้เท่านี้โกรธเราจะให้รางวันเท่านั้นให้รางวันเท่านี้ทุกตะไม่เ อ, า ไ, เอ า, เาไม่เอาเราไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นเราต้องการเลี้ยงพระ เราต้องการเลี้ยงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็เลยรับนิมนต์ในขณะที่พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านทุกตะเขาก็ดีโอกดีใจพวกเสนาอํามาตย์พระราชาแล่ะก็ตามไปเขาโอ้ยกลัวอาหารที่บ้านทุกตะไม่พอจะอิ่มพระพุทธเจ้า ว, ว่างั้นเถอะไปพระพุทธเจ้าทั้งฉันอิ่มน้ำสําราญวิสัยของพระองค์เนี่ยแม้แต่ข้าวอะไรเนี่ยข้าวจีของนางอะไรนั่นนะพระองค์ยังรับรับแค่นั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ไปรับที่อื่นอีกล้ว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 เพิ่มกันนึกถึงเอ้ยอาจารย์ไปบินตะบัดไปเอาปลาตะเพียนมาแจกผมฉันด้วยโอ้ใครจะเอาปลาตะเพียนมาธ ร, รมเนีนโอ้ทาไปได้ด้วยบุญของอาจารย์ก็ได้ด้วยบุญของผมเนี่ยพอไปก็ได้จริงๆแหละเขาไปจัดถวายปลาตะเพียนอาหารมีปลาตะเพียนเป็นอาหารถวายพระสารีบุตรฉันอิ่มหนำสำราญเสร็จแล้วส่วนหนึ่งเขาถวายเมาสมเนียนพระสารีบุตรก็ถืออาหารปลาตะเพีย น, นเนี่ยมาฝากธรมเนีน พอมาถึงรู้ทีเจ้ากลัวจะเข้าไปทําลายเวลาสัมเน็จกาลังทํางานยังไม่สุดรู้ทีเจ้าก็เลยไปขวางไว้ไปชวนถามปัญหาโน้นชวนถามปัญหานี้อ่าพอหลังจากรู้ว่าละว่าสัมเน็จผ่านไปแล้วเป็นพระอาหารหันไปแล้วก็ปล่อยพระสารีบุตรเข้าไปพอพระสารีบุตรเข้าไปพระสารีบุตรก็เอาอาหารไปวางไว้สัมเน็นก็สงบสงี่ยมเงียบเฉยไม่แสดงกิริยาอาการหิว ดิ้นรนถามน้นถามนี่ทักน้นทักนี่พออาจารย์เข้าไปอาจารย์นั่งก็เอาวีมาเอาพัดมาก็มานั่งพัดอาจารย์นั่งพาสมควรเกี่ยวละอาจารย์อ้าวสำเนนฉันพัดทหารซาฉันพัดสหารซาเนี่ยตอนนั้นครับตอนนั้นเพื่อนก็เสวยธรรมะในใจเต็มอิ่มแล้วเนี่ยอันนี้คือคนที่ทําบุญมันมีเหตุมีปัจจัยประกอบกันอยู่อย่างนี้ <c oughs>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 น้ำในทะเลน้ำในมหาสมุทรพุทธิย่อขยายต่อไปอีก ก, กองทุกขของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยดีใจก็น้ําตาเสียใจกับน้ําตาทุกกระทมตรมตรอ ม, รมใจวิโยคพลาดพลา ก, กกับน้ําตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบไปแล้วเนี่ยน้ำตาที่เราลอยคออยู่ในทะเลวัตสงสารเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรอีกน้ําตาซึ่งเกิดจากความทุกขซึ่งเกิดจากความทุกข ของสังขารของธาตุของขันของความเป็นอยู่ของความผูกพันอะไรสารพัดนี่นี่อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาเทศนาสอนมาบอกพวกเราอืให้เราให้เราบำเพ็ญขวนข ว, วายเพื่อพยายามข้ามให้พ้นวัฏวัฏฏสงสารนี้ไปได้พวกเราก็โลมัวแต่มาสนุกลอยคออยู่นี่แหละสนุกละเกินสนุกละเกินปมแปมปมแปมเหมือนลูกตาทัานว่าเนี่ย